ในช่วงคุยธรรมะในวันนี้เรามาคุยอะไรกันที่เอ่อเราพูดกันปฏิบัติขึ้นมา นำคําสอนต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเพราะงั้นไอ้เรื่องของ ทุกคนทุกคนก็มีนั่นแหละแต่ นักศึกษาโมงต่างๆเหล่านั้นก็มาสนใจในเรื่องความจึงเป็นตัวหนังสือตัวอักษรนะพูดถึงการลักษณะคําพูดลักษณะคําจาอะไรต่างๆอันนี้ก็ดีส่วนหนึ่งนะก็หมายความว่าเราเป็นการทําทําย้อนกับที่พระเจ้าทําออกมานะคือพระเจ้าทําที่ใจนะเอาบอกออกมาเป็น การศึกษาปริญญาก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ เอ่อเพราะงั้นจึงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องคือบอกว่าถ้าเราเอาคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปคัดง้างคนอื่นไปเที่ยวทําให้คนอื่นเจ็บช้ําน้ําใจด่าเขาว่าเขาด้วย เวลาที่เราไปโดนมันแรกๆมันจะไม่เจ็บเท่าไหร่คุณโดนงู หรือว่าตอนที่อยู่ผิวหนังแค่ปากแผลเนี่ยนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่มันให้ผลเนี่ย เพราะว่าจริงๆปริยัติของมันก็มีแง่มุมที่พวกอัญมณี โตเกียว่าแรงไสยแนวของคมๆในสกัดมันดอกนะการสกัดอย่างนี้ ว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําเอ่อความรู้ที่เกิดจักว่าๆแล้วมันสาดๆชั่วคราวนั่นคือ นะของสิ่งที่ไม่ดีอยู่ได้การกลับกําเริบนี้ก็คือบางทีที่มีอะไร มีใครมาด่าเราว่าเราเริ่มจิตจาดล่ะลักษณะจิตแบบนี้คือ ในการฝึกปฏิบัติเนี่ยคือนอกจากเรามารู้ๆอย่างจังนั้นขึ้นหมายความว่าเราไม่คือวางในจิตของ นี่คือไม่ใช่ว่าการปล่อยวางแบบพระอรหันต์ไม่ต้องเก็บใจนั้นคือฝนตกเราก็ไปเก็บผ้านั่นแหละนั้นแต่ว่าจิตใจเราไม่ทุกข์นั้นจะไม่ด่าว่า ที่เราเรียกว่าหมดความขุ่นมัวพอหมดความขุ่นมัวใสสว่างสบายเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นได้เห็น ไอ้คืออะไรเป็นปัญหาที่แท้จริงเราควรจะโฟกัสเรื่องอะไรทํายัง เย็นจิตมันมีมามีอํานาจเหนือเรานะถ้าเราไม่รู้ มีสติมากขึ้นมีสติมากขึ้นสติตรงๆจำได้มั้ยเรื่องอินทรีย์ที่เราเคยพูดมาน่ะมีอินทรีย์ 5 นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะหรือพละ 5 นะสติจะเป็นตัวที่ปรับได้ประวัติสมาธิกับวิริยะคือความเพียรนะสติเนี่ยจะเป็นตัวที่ปรับได้ ที่บางคนเนี่ยไปทําอย่างด่วนเลยทําอย่างชนิดว่าเต็มที่เต็ม 10 วัน 5 วัน 7 วันบ้าง เนี่ยไปทําชั่วทําบาปได้ทุกอย่างโอ้อย่างๆที่จะฝึกทําไอ้ส่วนที่มันมีๆเนี่ยไม่ไหวไม่ได้เรื่องเนี่ย นะไปโฟกัสเรื่องที่เต็นทําไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องที่ตัวเองไม่ดี นะ, นะ, นะ, 3 ที่ อาสีที่นี้นัก 2 คือเวทนานั่นคือ 3 คือสัญญาและสัญญา รู้ดูลมหายใจของเราเนี่ยก็ค่อยๆทําอย่างเป็น ความพอใจความไม่พอใจนี่แหละเนี่ยคือพื้นที่เราทําไม่ได้จะฟุ้งซ่าน อ่าสิ่งต่างๆในชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะพูดที่ประวัติประจําก็จะดีขึ้นมาได้